ปัญดาลูกรักทั้งหลายเซิงหรับคัดเศษนานนี้ก็มาขอต่ออีกนิดหนึ่งการตายพศสอ ง, งพันห้าร้อสิบห้าเมื่อได้ทุตับถามท่านถามท่านว่าถ้าร่างกายอย่างนี้จะทำงานไหวหรือท่านตอบว่าไม่ไหวไม่เป็นไรล่ลูกนับตัตวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปร่างกายคิกก็จะดีขึ้นตามลำดำับ ก็เป็นนั้นว่าในเมื่อท่านยืนยันก็จะต้องรับเมื่อรับแล้วท่านก็ทรงดัดว่าหลังจากนี้ต่อไปขอลูกจนช่วยปดการงานของพ่อต่อไปสิบปีนะหลังจากสิบปีไปแล้วก็ไปอยู่กับพ่อท่านหมายความนั้นที่นิผพาน ถ้าต่อมาพ่อก็ลืมตายขึ้นก็คนดีคนเต็มคุณโยมเต๋อพันธอ็สามมีคงเจ๊กิมกีก็เข้ามาถามบกว่าไปโรงพยาบาลไหมครับพ่อก็คิดในใจว่าถ้าโปรงสรงรับแบบนั้นไปหรือไม่ไปมันก็มีความหมายเท่ากันที้ร่างกายมันจะดีขึ้นแต่เพื่อเป็นการรักษากำลังใจของคนผู้หวังดี ก็รับก็บท่านว่ายอมไปอาป้าไปนั้นว่าก็ไปโรงพยาบาลเขาถอดเข็มน้ําเกลือออกมีคนเขาจะประคองให้พอลุกพ่อก็บอกว่าไม่ต้องลุกไหวร่างกายมันก็มีแรงกลับมาเป็นปกติให้มันกลับข้นร่างกายแล้วนะเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบท่าเสร็จแล้วก็เดินขึ้นรถ แบบคนคล้ายกับไม่มีอะไรไปถึงโรงพยาบาลตึกสองของจังหวัดอุทัยธา น, นีอยู่บนเชิงเขาเขามีบันไดขึ้นเขาจะเปลี่ยนมาหามพ่อก็บอกเขาไม่ต้องหามเดินไปไหวและต่อมาการป่วยครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอทองเติมนีหลกวิลาชผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธา น, นี ได้การอุปการะแปลงดีการมาป่วยคำนี้ก็ได้บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธา น, นีเป็นเงินบ้างเป็นสิ่งของบ้างรวมแล้วแปดหมื่นบาทเสศษในช่วงเจ็ดวันแรกของการป่วยแล้วต่อมาอีกไม่อีกประมาณหนอาทิตย์ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะว่า ร่างกายยังดีไม่พอหลังจากนั้นก็ออกจากโรงพยาบาล น, นี่ตอนนี้พ่อก็ต้องการให้โลกมีการรับทราบว่ากําลังใจที่ไม่เท่ากันทุกขเวทนามันก็เบียดเบีนมากเบียดเบียนน้อยไม่เหมือนกัน <c oughs> การตายครั้งที่เจ็ดทุกขเวทนาเกือบจะไม่มีเลยแต่ว่าการตายครั้งที่หกนี่มีทุกขเวทนามาก แต่ว่าจิตใจของพ่อก็มีกําลังเหลือทุกขเวทนายิ่งมีทุกขเวทนามากเท่าไรก็เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารร่างกายไม่เป็นเราไม่เป็นของเราอยู่ตามปกติในรายการหนึ่งสิ่งแวดล้อมภายนอกก็รู้สึกว่ามีการบีบคั้นเป็นพิเศษ ทั้งพระทั้งครวะปภายนอกที่เขาเสียผลประโยชน์กขวกหาทางต่อต้านหาทางด่าว่าหาทางเบียดเบียนด้วยแปลการทั้งปวงทรัพย์สินที่เป็นของสองล้วเกือบจะแตะต้องอะไรไม่ได้เลยแล้ก็เป็นนั้นว่ามันในขณะที่พ่อป่วยก็ปรากฏเหตุพิเศษที่เป็นนอนลรงพยาบาน มีคนใช้รถเข้าไปเรี่ยไรยในจังหวัดอุทยธานีมีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาใช้ในนามของพ่อว่าพ่อไปทำการเรีร่ะไรเข้าไปเรี่ไรในจังหวัดและเข้าไปเรี่ไราตามบ้านใช้ในนามของพ่อนี่ต้องคิดทีบ่บรรดาพู้ราชีเขาทำอย่างนี้เขามีคนมาราย ง, งานก็เลยบอกเขาบอกว่า ก็พ่อนอนอยู่ที่นี่เพ่อไม่ได้ไปที่ไรให้คนเขาไปบอกชาวจังหวัดให้ทราบว่าเรื่องการเลี่ยไรเนี่ยพ่อไม่มีการเลี่ยไรในกามีการนลี่ยปิดประตูหน้าปิดถนนหน้าวัดกันเขาก็ใช้ในนามสิ่งที่พ่อก่อสร้างเขาบอกเลยเขาก่อสร้างกัน สิ่งที่นองหน้าวัดถืนว่ามันสําเร็จแต่ข้างหลังมันยังไม่สําเร็จใครจะเป็นคนทําจัดการก่อสร้างพ่อไม่ทราบถ้าเขาบอกเข า, ามีคนก็มาใน ง, งานเพราะบอกปล่อยเขาเถอะมันเป็นเรื่องของเขาฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ฉันนอนอยู่ที่โรงพยมบาลแต่ก็เป็นเรื่องหน้าแปลกนิดหนึ่งมันดาทายกทั้งหลาย ที่เขาเป็นกรรมการวัดเวลาพ่อป่วยเนี่ยไม่มีใครเข้าไปดูเลยมีบางเอิญผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ใหญ่บ้านไปไปชมกันก็ไปแวะเพียเดียวหนึ่งก็คิดว่าจะมีอะไรเป็นประโยชน์ก็เปล่าผู้ใหญ่บ้านรุ่นนั้นนะไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นนี้เขาดีแต่รุ่นนั้นเขาว่าดีเขามีอารมณ์วางเฉยเป็นเบคขาหยัน ในการป่วยวันที่ยิบสองวันที่สิบแปดตุลาคมนี้หลังจากมีความรู้สึกตัวขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าถามกฎของกรรมว่านี่มันกรรมอะไรว่นนั่งบนโถส้วามมันก็น่ามึดถ้าบอกกรรมในสมัยที่รบ ก, กับเจ้าสิงเพราะว่าเราทำอันตรายเจ้าสิงมันเพียงตายบนหลังมา ก่อนที่มันจะลงมาตายมันหน้ามืดก่อนราาแบบนั้นแล้วก็ฟันมันตายเรื่องกรรมนี้เอาไว้ตอนอดีตรำลึกโลกพ่อจะใช้จะบันทึกอดีตรำลึกตามที่ท่านบอกนะพ่อไม่ใช่ญาณใช้ชันอะไรทั้งหมดได้วความรู้ทุกอย่างนี้พ่อไม่ใช้ของตัวเองจะต้องอาศัยบา ร, รมีเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอก จะผิดจะถูกใครเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันไม่มีความหมายตอนนี้ต่อไปมันก็เรื่องมี ก, การตายด้วยการจวนตายอีกครั้งหนึ่งเพื่อถอยหลังลงไปมาปีพศส1งพันห้าร้อสิบสองพอมาที่นี่วันที่ 21. ยี่สิบเอ็ดยันจะเป็นมีนาคมและเม ษ, ษายน พศสองันห้ารอสิบเอ็ดอาการป่วยมันติดตามมาแล้วก็ถูกทอดทิ้งสัญญาไม่มีสัญญาแต่พ่อก็ไม่ได้โกรธเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมไอ้สิ่งที่มาเกิดกับพ่อนี่พ่อไม่โทษใครพ่อโทษตัวเองว่าชาติในอดีตเราทำไม่ดี กาสายโทษปาณาติบาตมันก็มารกกลทางกายนั่นก็คือเป็นกฎของกรรมทำให้เราป่วยไข้ไม่สบายโทษที่ปากเราไม่ดีก็เป็นเหตุให้ปากชาวบ้านเ้าด่าเราเขานินทาเราแต่ของมันจะหายก็เป็นโทษที่เราปล้นเมืองเขา เราไปลุกรานไปตีไปเทะเขาของมันเสียหายเราก็ต้องมาเสียหายกันชาติแบบกิดมาชาติหลังๆต่อมาเป็นว่าพ่อถือว่าเป็นกรรมของพ่อพยายามทำทุกอย่างพยยน้กรรมนั่น <c oughs> <c oughs> การสอนได้กรรมฐานพ่อไม่ได้ม่งสอนคนอื่นคำสอนทุกคำที่สอนคนอื่นนั่นคือพ่อสอนตัวเอง ให้ตัวเองมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้นแต่ความจริงคนผู้รับฟังถ้าเขารับฟังไปเขาเห็นว่าไม่สูงพอกับใจของเขาเขาก็รับไปได้ถ้าเขาเห็นมากเกินกำลังใจก็เป็นเรื่องของเขาจะถือว่าพ่อไม่มีเมตตาก็ไม่ได้แล้วพ่อไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะไปรู้ใจคน ว่าใครจะชอบอะไรเราก็สอนตามที่พอมีความเข้าใจการสอนด้วยกรรมฐานแล้วก็มีความมุ่งหมายกันอย่างเดียวคือพระนิพพานเรียกว่าพ่อพูดเรื่องพระนิพพานพูดตั้งแต่ต้นตั้งแต่ขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิปธุฐมชานถึงฌานสีลักษณะการสันตสังโยชน์าการมัเป็นบารมีสิบ การทรงเมตตาแล้วก็ ก, การระงับนิวรณ์ห้าการใช้พรหมิหารสี่พูดตามลำดับแล้วก็ไปลงท้ายว่าเราไม่ต้องการมนุษย์โลกเทวโลกและพมโลกเราต้องการนิพพานจิตเราต้องการอย่างนี้ให้มันเป็นเอกอตาลมเราจะเป็นผู้ทรงฌานแลือไม่ทรงฌานจะเป็นพระิยะหรือไม่ อย่าเป็นอะน้าไม่อย่างนี้อย่าสนใจสนใจแต่พีงอารมณ์อย่างเดียวว่าเราวางภาระของขันห้าได้แล้วหรือยังอันนี้ก็มาคุยกันในปีพศสองพันห้าอสิบสองนี่มันใกล้ตายในช่วงใกล้ตายนี่มีอย่างนี้เดือนเมษายนพระครูวิชัญเทียคุณ วัดป่าครองมะคำเท่าเห็นจังหวัดชนาทจะทำการฉลองพัดยศท่านกับนิมนต์ไปในงานพ่อกับลูกนนทานันตวงศ์นั่งเรือของยาของนเอียงไปไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่พักสถ า, านที่ที่เขาจัดเพื่อแขกที่มาเนะี่ยรู้สึกว่ามันลำบากลำบากอยู่นิดวัดนี้พ่อเคยอยู่ วัดนี้เมื่อก่อนนี้ก่อนนี้พ่อจะไปอยู่วัดบวรกรรมคําเท่าในเคยช่วยมาสองปีวัดเขามีไฟฟ้าแต่เวลาออกจากหน้าโกติต้องถือไฟฉายเพราะไฟสาธารณะไม่มีเพราะก็ต่อตั้งมอมิเตอร์ใหม่ให้มีไฟสาธารณะขึ้นทั่ ว, วัดแล้วก็พ่อก็ออกสตังค์กพ่อเอง เีวัดนั้นมีสุ้มอยู่ไกลามากเข้าไปในวัชานนทาอนันตวง์ก็สร้างสุ้มตึกขึ้นสี่ห้องนี่ก็สร้างห้องน้ําเป็นสนาธารณะสองห้องสร้างน้ำสองห้องแล้วก็สร้างห้องนั่นถังน้ําสาธารณะอีกสองถังซื้อเครื่องสุดน้ํามาให้พระมีความสะดวกสบาย แล้วก็ทำเป็นส้มซึมสาธารณะอีกแปดห้องรวมไปทั้งหมดได้ส้มซึมสิบสองห้องให้พระมีความสุขในการท่ายไม่เชนนั้นเวลากลางคืนพระก็ต้องเดินเข้าป่าแสนจะลำบากแตยการการกะทมที่โยนนี้ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นิด พ่อไปใหม่หมคนในตลาดจังหวัดวัดสิงห์งอำเภอวัดสิงห์ใกล้แค่นั้นเขาเกือบจะไม่รู้จักวัดป่าคลองคําเท่าแต่พ่อไปอยู่ค้อหน่อยหนึ่งต่างคนก็ต่างมาตอนนี้แหละลูกรักกรรมของพ่อที่เคยยึดเมืองขามาก่อนมันเข้ามาสนองนั่นก็คือคราวว่าที่เคยได้กินกับวัดเขาก็ไม่ได้กิน ในเมื่อเขาไม่ได้กินแล้วทำยังไงเขาก็เลยไปอยูุพระพระที่แรกก็ดีต่อมาในภายหลังพระก็ อ, อ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับเขาเห็นดีกับเขาด้วยพ่อก็ลยเลยกลายเป็นคนเสียการสร้างให้แก่วัดราคาหลายหมื่นบาทแล้วก็ช่วยแนะนำให้ทางวัดมีการชำระหนี้เรื่องโรงเรียนที่เถือกยึดถูกยึด มีผลกลับคืนมาตามผลเดิมจากงานวัดมีการโอทโงมีราได้สูงขึ้นแต่ว่าคนที่ร้ายประโยชน์เขาก็ยุพระพระท่างคนดีเชีย่ยเขายุแต่พ่อก็ไม่ถืออะไรถือว่าปล่อยมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อมาพระมหาเวชจารยถินมาทอดที่นัน เจ้บ้านก็ยุคละว่าจะทอดใช้นี่ให้กรุผมพอ่อมาเวนี่เป็นน้องชายที่วัดดาวดึงเป็นหนี้เขาย่เหมือนบาทเศษเศษเทก็พยายามหากระถินมาให้แต่ปรากฏว่าทางวัดบอกว่าทอดกระถินไม่ได้ต้องทอดเป็นพระปาก็เลยต้องเอากระถินไปทอดที่วัดสะพาน เอาเงินจำนวนนั้นมาชำระหนี้ที่วัดป่าครองมาคำเท่าแต่เรื่องมันแล้วก็แล้วกันไปเมื่อท่านบอกเขาก็ไปไปแล้วก็รู้สึกว่าหาที่พักในยาก <c oughs> เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปก็รู้สึกว่าไม่สบายตอนบ่ายก็เดินทางกลับ เดินทางกลับมาพ่อมาที่ัระธาสูงก็อยู่กันสองสองคนพี่กับพี่ชายคือ พ, พี่วงนั่งอยู่ด้วยกันสองคนก็ที่วัดนี้เขามีมากแต่ว่าเขาอยู่เป็นคนาทางก็แปลกแล้วก็มีสุนัขอิปรมันห้าสิบตัวพ่อมาถึงนอนทาก็กลับบ้านมาถึงกนน็นอนที่แรกก็ต้องสร้างกับต็อบเล็กๆอยู่ แล้วมีกระตออ้อปีนหลังหนึ่งคนต้นโพก็ไปนอนที่นั่นอากาศมันร้อนนอนคนต้นไม้ผสบสบายที่แรกพี่วงก็ก็ฟันไม้ไว้ใกล้ได้ยินดีนักเข้นักเข้ า, ขาร่างกายมันหมดแรงเข้ามาทีล้าน้อยด้นน้อยนิย้ตาสั่งกับมาสั่งกมาจนกรทั่งเสียงที่ก็ฟันไม้ใกล้ไม่ได้ยิน ในในตามไส้ขึ้ามารู้สึกว่าเหลือประมาณสองวานนอ้นนั้นมองไม่เห็นแต่ว่ากําลังจิตใจมันมีความสุขมีความสุขเพราะอะไรเพราะถือว่าร่างกายจะตายก็เฉิญนสิที่อยู่ฉันมีนี่ที่อยู่ที่จะอยู่ต่อไปนี่มันดีแบบกว่า น, นี้ เป็นนั้นว่าเมื่อคิดว่าร่างกยายจะตายขเขาเฉิญแม้ก็หยุดแค่นั้นใช้ตาไม่สั่งเข้ามาแล้วต่อไปมันก็เห็นยาวต่อไปได้ยินเสียงฟันไม้ตามเดิมถ้าทศเจ้าถามว่าจิตใจของพ่อในเวลานั้นพ่อทํำยังไงจิตใจเวลานั้นพ่อก็วางขันห้ามันเสีย ที่วร่างกายที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่มันเป็นความจริงมันเป็นเปลือกที่เต็มได้วยความสกปรกและก็หาอะไรดีไม่ได้เวลานี้มันจะพังเราเคือทิศมานกายที่อยู่ในภายในเราไม่ได้สนใจในมัน มันจะเป็นยังไงก็ช่างมันพังอะไรบ้านของเรามีเราไปที่บ้านของเราเมา น, นั้นบ้านของเรามีความสวยสดงามมีความสุขกว่าเราต้องการไปที่นั่นพอตัดสินใจว่ามันจะพังก็เชิญเราจะได้สบายนึกในใจว่าฉันเป็นทาาเธอมานานแล้วเจ้าขันห้า ตอนนี้ฉันจะเป็นอิสรภาพหมดจากความเป็นทาสพอแค่นี้มันก็ถอยหลังสาตายาวไปตามเดิมก็จะนึกในใจว่าเอ๊ะแล้วก็มึงจะเอามึงทำไมถึงไม่เอาล่ะทำไมจะกล่อยปล่อยให้กูอยู่คู่ไปกับไอ้ร่างกายที่เต็มไปด้วยความไม่ดีต่อไป ไอยตามันก็ยาวไปกำลังใจที่มันกาลังกายที่ลดน้อยเสื่อมลงเฮ้ตอนมันนอนกำลังมันหมดไปทุกทีทุกทีเจริญกันจริก็ทั่งกว่าเกือบจะสิ้นกำลังแต่ว่าพอทำอย่างนั้นกำลังมันก็เกิดขึ้นเวลานั้นพ่อนอนแต่แข็งฝาใจจับอธิสมาในกาย เห็นผ่องใสเป็นกายเปล่าๆตามกำลังที่เคยปฏิบัติได้แล้วก็มองเห็นองค์สมเด็จเดชประจอมไตรบรมศสดาทรงประทับอยู่ไกลๆไม่ไกลนักอารมณ์ใจมันก็เป็นสุขหาความทุกข์นิดหนึ่งก็ไม่มีแล้วเมื่อกำลังกายมันกาลังกายมันดีขึ้นสายตายาวขึ้น ก็รู้สึกว่ามีคนสองคนมาเยืนอยู่ข้างหลังคนหนึ่งก็มือตีหลังปับหันมาเจอก้าเข้าก็าถามว่ามึงป่วยหรือก็เลยบอกกูไม่ได้ป่วยขันห้ามมันป่วยสองคนก็บอกเออดีกูไปละสองคนก็คือเพื่อนที่อยู่ในป่า เขามาถามอย่างนั้นเขาก็หมายความเราห่วงกันห้าไหมถ้าเราไม่ห่วงกันห้าก็ใช้ได้เป็นนั้นว่าพอมีความรู้สึกตัวเขามาเต็มที่ก็มีความรู้สึกในใจว่าเราตั้งใจทนบารุงพระพุทธศาสนาแต่ทาไมเป็นเช่นนี้ในตอนนี้ขอลูกจะมองดูทุกเวทนา เรืงใจมันยังหยาบมันป่วยมาตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยเก้ามันก็สอกระเสากระ ส, ะ ก, สกระแสะเรื่อยมาเอาสภาพดีไม่ได้ถ้าเรื่องถึงพศสองพันห้าร้อยสิบสองมันก็ไม่ดีต้องบังคับตัวบังคับกายทำก็เอาใจเขาบังคั บ, คบทำงานทุกอย่างแต่คนที่ไปที่มานี่ถ้าเขาไม่ได้สังเกตเขาจะไม่รู้ ว่าพ่อป่วยก็ก็พูดกับเขาดีทุกอย่างบางทีท้อง ม, มันก็ทั้งอื่นมันทั้งเสียดบางทีก็มึนงงบางครั้งก็น่า ม, มดึดนี่เห็นว่ากําลังใจของเราที่อยากมีความเข้มแข็งน้อยทุกเวทนามันก็มีกําลังต่อสู้กับแรงขับใจของเราใจของเราก็ต้องใช้กําลังหนักไปรบ ก, กับมัน ที่ต้องรบกับมันก็เพราะว่ากำลังใจกำลังของเรามันอ่อนก็ต้องสู้กันสู้เพียงแค่เราไม่แพ้แต่ก็ยังไม่ถือว่ากิเลดแพ้หรือว่าขันห้าแพ้ถ้าเราเผลอเราก็แพ้และจุดที่มีความสาคัญอยู่จุดหนึ่งคือว่าเวลาที่ทุกเวทนาครอบงำหนัก ถ้าอารมณ์จิตของเราเป็นกุศลที่เราได้ศึกษาและภาคเพียปรปฏิบัติมาเมื่อถึงเวลาป่วยไข้ไมส่สบายกําลังของมันจะเข้ามารวมตัวคือกําลังที่เป็นกุศลจิตใจที่คเคยมืดมนและที่เคยมัวมันก็ยังมีความแจ่มใสขึ้นอารมณ์ใจจะแจ่มใสขึ้นมีความสว่างสวย เอ็นกายภายในมีความแจ่มใสสดชื่นสวยสดงดงามและก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนแจ่มใสแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสันดาล้วก็เห็นชัดพรมเทวดาเราก็เห็นชัดสวรรค์ทุกชั้นพรมทุกชั้นนิพพานเราก็เห็นชัดอันนี้ไม่ด้งกลัวคนที่เป็นนักปริยายเข่าเจ้าคน เมื่อเขายังเป็นนักปริยัติอยู่เขาก็ตรงค้านแต่ว่าถ้าเขาเป็นนักปฏิบัติเมีอารมใจจับพนิพาน์เป็นอารมณ์อะไรเขาก็เลิกคานเหมือนนั้นลูกจงอย่าลืมว่าคนที่มีกำลังใจไม่เข้าถึงโครตรภูยานพวกนี้จะรู้เรื่องของพณิพาน์ไม่ได้ แล้วนักปริยัติน <nooit S 2> ่ะพอก็ไม่แน่ใจนักว่าแม่แท้ขณิกะสมาธิเขาจะส่งได้หรือเปล่าก็แปลนว่าถ้าเราจะบอกให้เด็กขึ้นยอดไม้เด็กก็สิ่งกําลังเด็กที่ยังเดินไม่แข็งจะต้องคลานตั้งใครล้มต้มใครกินยืนก็ไม่ไหวแย่บางก็เด็กบอกว่าย่อขาลูกโน้นเมีอะไรบางเด็กมันก็ไม่เชื่อ ข้อนี้มีมาชั้นใดพวกเถินตรรราทั้งหลายหรือว่าเถินไมนานเปล่าอย่างท่านสุธรรมเถินท่านก็ยัยคายค้านว่ามันไม่เป็นความจริงแต่แต่ว่าท่านสุธรรมเถินต่อมาท่านเป็นพระอรหันท์ท่านก็ยอมรับว่าการทรงพระไตรปิฎกของท่านมันยังโอเต็มร้อยเปอร์เซ็นังนั้นขดาลูกรัก เรื่องนี้พ่อพูดกับโลกพ่อไม่ได้พูดกับคนอื่นถ้าคนอื่นจะเข้ามารับทราบมารับฟังก็ถือว่าไม่ใช่ภาระของท่านเราไม่ได้พูดกับท่านีนเราพูดกับโลกของเราที่มีความรู้จริงตามนี้เป็นนั้นว่ามาคิดในใจว่าเอ้เราก็ทำดีขนาดนี้กรรมประเภทนี้มันมาจากอะไร ตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรยยินดีสงกัดว่าสัมภะเกสีแย่คำหนึ่งประดมักรรมประเภทนี้มันเป็นการชดใช้กรรมที่เป็นเศษเท่านั้นแต่กรรมที่เธอยังไม่ใช้มันยังมีอีกมากดูภาพนี้สิเป็นว่าพื้นที่ของวัดท่าสงเดิม ต, ต, ต, ตั้งแต่ต้นแต่ครองยางที่ไต่ ไปจดด้านที่ติดของนางเจริญบริเวณวัดกว้างเท่าไรมีหัวคนเรียงเต็มนก็เรียงสูงไปเป็นชั้นชั้นสม่ำเสมอกันเลยยอดโผล่ก็เลยไม่รู้จะนับว่ามันกี่แสนหัวแต่ก็บอกว่าบรรดาหัวคนทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เธอฆ่าเข้ามาในอดีตทุกชาติเธอเกิดเป็นนักร้บ ถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็เป็นทหารเอกรบข้าวทุกชาติแต่เธอก็ไม่เคยตายในสนามรบมีแต่ขั้วข้าที่เขายะต้องตายในสนามรบทั้งที่เป็นคนที่มีฝ่ายผีมือคล้ายเครื่องการรบคนตัวแต่ตัวก็ดีบางครั้งเมื่อคู่ต่อสู้ตายแล้วก็ฟันฝ่าข่าศึกข้าทหารทั้งหลายตายมากมาย นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้เธอยังไม่ได้ใช้นี่เขาถ้าเธอยังยังจะต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะเธอจะต้องใช้นี่หัวทั้งหลายเหล่านี้กว่าจะหมดหัวมันก็หาที่สุดไม่ได้ฉะ <c oughs> นั้นกรรมใดที่เธอรับเมื่อทรงขันห้าอยู่มันเป็นเศษของกรรมที่เราชาระนี่มันมาแล้ว การชำระหนี้ก็หมายถึงว่าการตกนรกมาแล้วมันเป็นเศษของการติดตามมานิดหน่อยใจคำหนึ่งมันเพื่อประโยชน์อะไรเธอจงเลิ่งรักกำลังใจทำให้ถึงที่สุดของความทุกข์มีจิตใจจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จงอย่าห่วงใยในขันห้า ถ้าเราไม่ห่วงใยในขันห้าขึนในรู ก, กายของเราที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสตามนี้แล้วองค์สมเด็ดปจปัญจนาสีก็ทรงตรัสว่าเธอเห็นที่อยู่ของเธอแล้วได้อย่างแล้วทรงนับได้การบอกเห็นแล้วไปเจ้าค่กการระพระเจ้าค่าะ ก็ทรงตัดว่าที่อยู่นี้ต้องขึ้นทุกวันแล้ววันนั้นหลายๆครั้งครั้งหนึ่งสองนาทีสามนาทีก็ตามจิตจะได้เป็นสุขให้จิตมันเป็นสุขแล้วก็เราก็ทำงานต่อไปให้กำลังใจมันไม่สบายและมีความวุ่นวายแล้วก็พุ่งจิตข้าไปสู่จุดนี้อารมณ์จะได้เป็นสุขเมื่อเวลาที่ต้องเส้นชีพสังขาร จิตเจะได้ไม่หลงไปตกในอบายภูมิจะต้องใช้นี่ของกรรมอย่างหนักได้จิตจะได้ไม่ค้างอยู่ที่เทวดาแล้วครับจิตถ้ามันรู้จักที่ใดที่หนึ่งที่เดียวคือพอใจที่เดียวตายเมื่อไหรร่างกายพังเมื่อไรมันก็ไปที่นั้นเป็นนั้นว่าองค์สําเร็จพระจิตตมานทรงแนะนําพ่อก็จําไว้จึงได้นํามาสอนลูกตามนี้ เป็นว่าเทพนั่นนี้ก็หมดผลดีเป็นว่าการตายครั้งที่แต่ไรนะ 10, สิขั้นที่เจ็ดที่หกขที่ห้าสินะตอนเครั้งที่ห้ามันเกือบจะตายแต่คนมันนึกว่าตายก็หมดพินัยนี้ก็จำไว้ว่าถ้าจิตมันกําลังหยาบทุกเวทนามันครอบใจจิตใจง่ายสักข้อครอบงามจิตใจง่าย ถ้าจิตัองเราละเอียดมากขึ้นมาอะไรก็โดูการตายครั้งที่เจ็ดนะลูกนะเวลานั้นพ่อไม่มีทุกขเวทนาเลยเอามองดูเวลามันเลยไปแล้วนี่นลูกเอ้ยวันนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงแค่นี้นะขอความสุขสวัสดิ์<ม>พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลทาใดดีองสมเด็จปทุพผลทรงพร่ำสอนมา ขอลูกของพ่อทุกคนจึงเข้าถึงธรรมนั้นเอจงถึงบิพผ่านในชาตินี้สวัสดี